221แ้อม้อรหันต์ขั้นหนึ่งแล้วก็ยังมีวิปลาสเหลืออยู่ผู้ที่ยังไม่สิ้นทุลีแห่งวิปลาสขนาดมีทิฏฐิไม่วิปลาสแล้วแต่จิตที่ยังไม่สะอาดบริบูรณ์สิ้นอวิชานุสัยสำบูรณ์แม้จะสิ้นอวิชชาสวะเป็นอรหันต์ปัญญาวิมุตตแล้ว ก็ยังมีวิปราสเหลืออยู่ในขั้นอนุสัยท้ายปลายสุดตามส่วนที่เหลือจริงของแต่ละท่านนั้ น, น, นสัญญาวิปราสจากสัญญาของตนที่ยังมีจริงจึงทำงานจริงอยู่ในขณะลับอย่างอิสระทีเดียวก็ยังบ้าไปตามประสาได้อย่างประหลาดแปลกๆพิลึกพิล้านไปสารพัดของแต่ละคน แล้วแต่จะวิปลาสตามพลังสติปัญญาตัณหามาณ a ิ i ิจริงของตนของตนวิปลาสในตอนหลับก็ยังดีมันเป็นโทษแต่แก่ตนเท่านั้นทว่าถ้าวิปลาสในขณะตื่นตื่นมีองค์คาพยพรบรรครัามสิบงทางภายนอกภายในนี่สิมันทำความเลวร้ายได้เต็มที่คนวิปลาสจึงทำบาปได้ยิ่งยิ่ง เว้นแต่คนที่หมดวิปลาดนั้นนั้นจริงจึงจะไม่ทำบาปไม่เป็นภยัยผู้ยังวิปลาดเห็นความไม่น่าพึงใจอสุภะเป็นความน่าพึงใจสุภะเป็นต้นมันก็สร้างกิเลสใส่ตนแล้วดีไม่ดีสร้างความเสียหายถึงขั้นเลวร้ายให้แก่ตนและให้แก่สังคมจนถึงขั้นร้ายแรงก็ได้ แต่สำหรับอรหันต์นั้นไม่มีวิปราสตที่เป็นภายนอกเด็ดขาดแมภายในจิตตนถึงขั้นอสวรนั้นไม่วิปราสตแล้วยังเหลือเศษในอนุัยสุดท้ายของตนในตนเพื่อตนเป็นที่สุดเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ยังมีวิปราสตมากและร้ายแรงซึ่งเป็นภัยต่อสังคมร้ายกาจสาหัสสาการยิ่ง อย่างเช่นที่เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยที่ได้เกิดขึ้นเป็นตำนานหรือประวัติศาสตร์ที่เป็นแล้วจริงตามที่รู้กันได้เป็นนิยายทั้งปรามปราทั้งสมัยใหม่แม้ในปัจจุบันนี้นั่นแหละหากไม่เรียนรู้อย่างสัมมาทิฏฐิแล้วแก้ไขจิตวิปลาสของตนของตนให้สิ้น ความวิปราชต่างๆในใจตนให้หมดไปจริงโลกก็ยังคงมีความวิปราชให้คนก่อนิยายลงบนโลกใบนี้อีกตราบนิรัน